คือการเรียนปัจจัยเนี่ยประกาศถึงว่าปัจจัยก็ไม่เที่ยงผลของปัจจัยก็ไม่เที่ยงแล้วก็ในตัวผลของปัจจัยมีใครอยู่ไหมไม่มีตัวปัจจัย ใ, ใครก็ไม่ใช่ใครทำต้องทำคือขันอายาตนะธาตุเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยสิ่งที่เกิดจากปัจจัยตัวปัจจัยก็ไม่เที่ยงสมมุติตัวภวังก็ไม่เที่ยงอารมณ์ก็ไม่เที่ยงอาวชนะก็ไม่เที่ยงแล้วความคิดจะเที่ยงมาจากไหน เพราะฉะนั้นมนโนก็เลยไม่เที่ยง น, นะเขาเอาไว้วิเคราะห์ในลักษณะนี้นั้นการเรียนรู้ปัจจัยก็เพื่อที่จะประกาศถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาของธรรมทั้งหลายแต่ไม่เที่ยง น, นะปัจจัยก็ไม่เที่ยงตัวนี้ก็ไม่เที่ยงแต่มันเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่ข้างหน้าล่ะมันเป็นกรรมมะปัจจัยแก่ข้างหน้าต่อไปอีกอย่างนะเพิ่นนะไม่เที่ยงเอ่ออย่างเช่นถ้าถ้าตัวนี้นะท่าเบ็ดยปฏิจจสมุปบาท ต้องมองตัวนี้ว่าเป็นภพภพมาจากไหนสมมติมองตัวนี้เป็นเจตนานะพบภพมาจากไหนอุปาทานตันหายึดตันหาชอบอันใดอุปาทานก็ยึดอันนั้นนั่นแหละเพรา ะ, ะนั้นตันหากับอุปาทานเนี่ยก็คืออาจจะชาวนะก่อนหน้านี้เท่านั้นเองก่อนหน้านี้หรืออาจจะเคยชอบแบบนี้เป็นต้นมาเนี่ยนะชาวนะอันนี้ก็เลยเกิดขึ้นถามว่า กรรมมาพบเหล่านี้เกิดจากตัณหาและตัณหาเกิดจากอะไรเวทนาและเวทนาเนี่ยไหลมาจากกี่ทวารก็หกทวารเนะี่ยนะโอ้ปัจจัยเยอะมากพระอาจารย์ใช่ยอย่างพวังนี้เราจะคุ้นกับที่ว่าทํากิจปฏิสนธิพวังและจุติแล้วถ้าทําตถาลัมพนานะนี่มีผลต่อชีวิตเราไหมคะเอโดยปฏิและตถาลัมพนะเพียงแต่ว่ารับอารมณ์ต่อจากชาวนะ เนื่องจากอารมณ์นั้นเป็นอติมหันตอารมณ์เท่านั้นเอง น, น, นะคือไม่ได้ไม่ค่อยมีผลต่อชีวิตแต่ว่ามีผลต่อการพิจารณาอารมณ์นั้นว่าอารมณ์นั้นมันใหญ่จริงๆอารมณ์นั้นไม่ใช่อารมณ์ธรรมดานะีนะคือคือมันเป็นอารมณ์ชนิดใหญ่อะนะมันไม่ใช่แบบเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆไม่ใช่แต่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยหมายความว่าเป็นอารมณ์ที่ดูเหมือนค่อนข้างมั่นคงอะนะมันไอตถารมณะเพียงแต่ รับอารมณ์ต่อจากชาวนะเนื่องจากว่าอารมณ์นั้นเน่ยมันมีปกติถ้าเป็นรูปารมณ์เนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยพวกนี้จะมีอายุสิบเจ็ดขณะจิตก็คือตัวที่รับอารมณ์ต่อจากชาวนะเขามีเงื่อนไขว่าชาวนะกับอารมณ์ต้องดับพร้อมกันถ้าชาวนะไม่ดับพร้อมกับอารมณ์จะ ต, ต้องมีตถาลัมมณะมารับเพราะพวังจะมารับอารมณ์ต่อนั้นไม่ได้อันนี้เราเป็นหลักจิตตนิยามทั่วๆไปพระอาจารย์ถ้าแล้วพวังที่ทําหน้าที่เป็นทวารของ มโนทวารวิถีนี้มีผลต่อวิถีจิตนั้นไหมคะตัวทวารตัวนี้ก็มีพอังที่กล่าวไปไงว่าทําไมโกรธบางคนเนี่ยนะฟังแล้วก็เข้าใจเร็วบางคนก็ไม่ค่อยจะเข้าใจสักทีอย่างเงี้ยนะก็ข้อพื้นฐานอยู่ที่ภวังด้วยคุณภาพของภวังบางคนฟังเรื่องยากแล้วยิ้มบางคนฟังเรื่องยากแล้วเครียดอย่างเงี้ยนะก็พื้นฐานก็ส่วนหนึ่งมาจากผวังส่วนหนึ่งมากักเนี่ยชาวนะกรก่อนที่ตั้งอุปนิสัยตั้งความปรารถนา ฟังพระอาจารย์ก็ฟังแล้วรู้สึกคล้ายๆกับว่าพวังเหมือนกับจะรู้อารมณ์<อ>ที่เขาเป็นทวาร<อ>ด้วยมันไม่ไม่รับอารมณ์แต่ว่ามันเป็นตัวรักษาภพเอาไวน้นะคือเหมือนกับว่าพูดง่ายๆจากภาวารหนึ่งไปทวารหนึ่งเนี่ยทําไมเราไม่ตายมันมันไปต่อกันได้ยังไงแล้วการจากเรื่องหนึ่งไปสู่เรื่องหนึ่งแล้วอะไรสับหว่างระหว่างนั้นเ่ะฉะนั้นภาวะอพวังก็มาจากภาวะบวกอังคะพวังก็คือภพอ่ะนะ ก็คือตัวเป็นผลของกรรมของบุคคลนั้นน่ะเป็นจำนวนเป็นตัวธาตุแท้ของคนนั้นก็ได้เลยนะพระอาจารย์คะจะเปรียบอย่างนี้ได้ไหมว่าผวังนี่เป็นคล้ายๆสะพานที่เชื่อมจากทวารต่างๆสลับกันไตมาแล้วก็แต่ละคนก็จะแตกต่างกันก็เพราะว่าเขามีสะพานนั้นที่ต่างกันก็อันนั้นก็แบบนั้นก็ได้นะะแต่มันกว้างขวางกว่านั้นเยอะคือตัวผวังเนี่ยนะเป็นตัวที่ทําให้ อย่างเด็กคนนั้นเนี่ยนายคนนั้นลุงคนนั้นปู่คนนั้นน่ยนะทาไมไม่เปลี่ยนสักทีหนึง่งตัวภวังเนะ่ยสับเอาไว้ทั้งๆที่รูปก็เปลี่ยนไปตั้งเยอะมากมายใช่ไหมแต่เนื่องจากผวังเนี่ยมันรักษาเหมือนกับรักษาคนคนนะั้นเพราะคุณภาพมันจะคล้ายๆเดิมเช่นโดยวัตถุมันก็อาหารทยาวัตถุโดยอารมณ์ก็อารมณ์เดิมกรรมที่มา น, นําเกิดก็แนวเดียวเดิมๆเนีย่ยนะอันพื้นฐานเดิมๆ เ, เนี่ยทําให้ รักษาความเป็นบุคคลคนนั้นเอาไว้ถ้าไม่เอาเกี่ยวกับเรื่องพวังมาจับไว้นะนั้นคนหนึ่งในหนึ่งคนก็ไม่รู้ตั้งกี่ชาติอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะเพราะรู ป, ปรกายเนี่ยนะถามว่าคนเก่ากับคนใหม่เนี่ยนะสมมติว่าเอาผู้การกันแล้วกันเมื่อหกสิบปีที่แล้วอย่างนี้ไหมอย่างงี้นะไม่ได้เจอกันหกสิบปีจะจํากันได้ไหมล้วเอารูปอย่างงี้นะแต่ทําไมสืบสาวราวเรื่องแนละ้วมันมันเข้ากันได้แหละก็พื้นฐานตัวพวังนั่นแหละเป็นตัวเชื่อมเอาไว้นะี่นะ เอ่อถ้าที่ดูอย่างนี้แล้วนี่นะฮะาวังของใครก่ของใครนะครับใครจะฉลาดใครจะไม่ฉลาดใครจะร้อนใครจะอ่อนใครจะเย็นก็ไม่มีทางแก้ไขเพราะฉะนั้นแต่ว่าชีวิถ ค, คงไม่ได้ปล่อยไปอย่างนี้นะฮะผมจึงมามองดูว่าในชาวนะตัวนี้เนี่ยคุณภาพภาวังต่อไปจะเป็นอย่างไรเนี่ยในในชาวนะในโมโนธวรมวิถีนี่แหละเราจะเป็นตัวที่จะไปจัดการให้มันมีลักษณะ ผวังที่เราต้องการยังไงเนี่นะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครัอาจารย์ก็อย่างงั้นอาจารย์คือการพิจารณาผวังเนี่ยนะตัวผวังเนี่ยเป็นตัวผลของกรรมเก่าเนี่ยนะกรรมนําให้มีผวังแล้วอาศัยผวังนี้ก็มาทํากรรมใหม่เนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อผวังอันต่อไป มันก็เชื่อมกันว้อย่างนี้อันนี้พ บ, พบนี้นะอันนี้พบเก่าอันนี้พบใหม่วิธีสืบสาวราวเรื่องประภวังของเราเนี่ยนะที่เป็นอยู่ปัจจุบันก็เป็นผลของกุศลอยู่แล้วแล้วชาวนะที่ทำใหม่เนี่ยมันมีทั้งกุศลและอกุศลแล้วสมควรจะได้อะไรต่อไป อันนั้นแหละคือหลักทิฏฐธรรมอุปชาอัปาราปะหละักชนะกรรมอุปปีและกรรมอุปธรมภ ะ, ะกรรมเป็นต้นเนี่ยที่จะต้องเอามามาศึกษาถ้าเข้าใจกรรมที่จะมีผลต่อไปก็จะมองว่าผลของกรรมมาจากอดีตก็ในยะเดียวกันเนี่ยนะมันก็จะว่าซ้ำๆมันก็ซ้ำนะแต่ที่มันต่างแต่ละภพ ก, ก็คือตัวกรรมเป็นตัวจำแนกแต่ว่าในบรรดาตัวที่ที่เราสนใจเป็นพิเศษ กรรมตัวนี้จะมีผลหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวตันหากับตัวอวิชชาตัวที่ประสานให้กรรมมันจะให้ผลต่อไปทีนี้ตันหาคืออะไรคือตัวที่ติดข้องในกรรมและผลของกรรมบังติดข้องตัวกรรมอย่างหนึ่งติดข้องผลของกรรมในอย่างหนึ่งที่ติดข้องในผลของกรรมก็เช่นติดข้องในตาหูจมูกลิ้นกายหรือรวังหน่ยนะติดติดข้องในชีวิต ติดข้องในกรรมใหม่ก็ติดข้องในกรรมหรือติดข้องวิบากที่จะมีต่อไปในอนาคตตันหาสรุปแล้วนะเพลินในอารมณ์ที่เป็นอดีตปราถนาอารมณ์ที่เป็นอนาคตปัจจุบันก็ยึดเนี่ยนะอดีตก็ไม่ลืมอหมือนกันเถอะอนาคตก็ยังหวังปัจจุบันก็ยินดีเนะ่ย ถ้าเป็นอย่างนี้พระองค์สอนอยังไงพระองค์ก็บอกว่าท่านจงตัดกิเลส ท, ที่เพลิดเพลินในอดีตซะตัดตัณหาที่เพลิดเพลินในอดีตซะแล้วเลิกปรารถนาในอนาคตไม่ยึดถือในท่ามกลางไม่ยึดวัตตะทั้งหมดแล้วท่านจะเป็นผู้สงบราคะโทสะโมหะเที่ยวไปอ น, นะโดยหลักการของคำสอนเรามีอยู่เท่านี้แต่ทีน่นี้คิดยังไงจริงจะเลิก เลิกเลิกอะไรนะเลิกยึดถือสิ่งที่เป็นอดีตทั้งหมดคิดยังไงอ่ก็บอกว่าข้อปฏิบัติท่านจงละกรรมที่เป็นอดีตเถอะคือทํายังไงกรรมทั้งหมดที่เป็นอดีตที่เราทําไว้นะจะไม่มีผลต่อไปปกตินั้นหนึ่งดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ใช่ไหมดวงที่สองถึงดวงที่หกให้ผลชาติต่อต่อไปไม่มีสิ้นสุดดวงที่เจ็ดชาติหน้าและดวงที่สองถึงดวงที่ หกของชาติที่แล้วชาติที่ถัดมานะดวงที่เจ็ดมาอย่างเดียวถัดจากนั้นไปเป็นต้นก็ดวงที่ทดวงที่หมีความหมายหนึ่งบอกว่าท่านจงตัดกรรมเหล่านี้ซะอย่าให้มันให้ผลอีกต่อไป อ, อว่าง่ายๆนะกรรมที่มันให้ผลนะเพราะนิจจาวิปปัลาสุขาวิปปลลาเพราะอัตตาวิปปัลลาจริงๆเพราะวิปปัลาสามสี่ตัวเนี่ยนะทำให้กรรมให้ผลว่าย่อๆหนึ่งโสภาวิปปัลลา สุขวิปลาสนิจาวิปลาสกับอาตาวิปลาสความวิปลาสในขันห้าโดยอาการสี่ประการเนี่ยแหละเป็นตัวที่นําเกิดในภพใหม่ั้นถ้าละวิปลาสในสิ่งเหล่านี้ได้อันนี้เป็นวิปัสสนาที่ตรงกันข้ามกับอวิชชาเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยมันเป็นตัวปกปิดเอาไวนะ้นก็เลยนําเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีสิ้นมีสุดเนี่ยนะ พันวิธีแก้ก็คือตัดอวิชาด้วยวิชาฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอย่างไรเนาะแหลชื่อว่าอวิชาอวิชาชื่อว่าวิชาด้วยเหตุประการเท่าไหร่พระเจ้าค่ะบอกว่าดูก่อนพิสูจน์ที่ชื่อว่าอวิชาเพราะไม่รู้ว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัย น, น, นี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธคามไมีปฏิปทา แล้วพิสุก็ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่ชื่อว่าวิชาวิชาด้วยเหตุแห่งประการเท่าไหร่พระเจ้าค่ะก็วิชาก็คือความรู้ก็คือรู้อริยสัจสี่เอวิชาคือไม่รู้อริยสัจสี่วิชาคือรู้อริยสัจสี่ตันหาคือความเพลิดเพลินสมถะคือละสมถะมันเหมือนความอิ่มอยู่ในตัวมันไม่ต้องการแล้วนะสมถะเหมือนความอิ่มตัวโดยที่เรียกว่าตันหามันเหมือนหิวนะ ถ้าเจริญสมถะมันก็อิ่นแล้ววิปัญญาหรือวิปัสนาเกิดขึ้นก็ตัดทั้งตันหากับอวิชชาเพราะฉะนั้นสมถะวิปัสนาที่บริบูรณ์เนี่ยนะสมถะมีองค์หกวิชาหรือวิปัสนามีมักองค์สองนะนะสมถะหกก็คือวีระตีสามสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิคําว่าสมถะกว้างนะส่วนคําว่าวิปัสนาก็คือหรือวิชาเป็นชื่อของสมาธิฏฐิกับ สมมาสังกัปตะเนี่ยนะทันตัวมักจะเป็นตัวถอนออกจากวัตะเนี่ยนะตัวสมถะวิปัสนาตัวอริยมตรรคตัวนี้จะถอนออกจากวัตะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือสอนเพื่อให้เกิดสมถะและวิปัสนานั่นเองเนี่ยนะสอนอย่างไรสมถะวิปัสนาจึงจะเกิดขึ้นเพื่อรู้แจ้งอริยสัจแล้วก็หลุดพ้นจากวัฏะทั้งหลาย ในกา ร, <ฮ> ก, ารการเรียนรู้เรื่องนี้เรื่องกรรมและผลของกรรมเพียงจะให้รู้ว่าวัตถะของเราเนี่ยมันเป็นไปอย่างไรอะไรมาเชื่อมอะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเพราะว่าตัวกรรมเนี่ลักษณะเป็นอะไรวัตถะกรรมม ว, วัดกรรมมีผลต่อไปเรียกว่าผลของกรรมเรียกว่าริปากวัดอะไรเป็นตัวเชื่อมไหมกิเลสวัดถ้าจัดการจัดการกับอะไรละละกิเลสวัดอย่างเดียวถ้าตัดกิเลสก็เป็นอัน สิ้นกรรมถ้าสิ้นกรรมก็เป็นอันสิ้นวิบากถ้าสิ้นวิบากก็เป็นอันสิ้นทุกเนี่ยน